وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار لقد قالوا ما هي الذي เกิดขึ้น يا رب لماذا نحن لا نرى رجال كثيرين الذين كنا نعدهم في مجموعة الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الابصار เนื่องเพราะเราถือเอาพวกเขาเป็นที่ยึดหยั่งหรือสายตาของพวกเราคลาดเคลื่อนไปจากพวกเขาอินนะฎาลิกละฮักกุนตะคอซูมออ์ลินนาแท้จริงนั่นคือความจริงจะมีการโต้เถียงกันระหว่างชาวนรกด้วยกันกุลอินนะมาอะลัม سَمَا مِنْ إِلَٰه إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ چون กล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้นและไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิชิต รَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ พระผู้ และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองคือผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรักการอภัยกุลฮุวะนะบะอุนอะซีมอันตุมอันฮุมอะริดูนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่านี่คือข่าวสำคัญอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าผินหลังให้กับบรรดาแม้ Canon ลิยมินอิลม์บิลมะลาอิลอะอฺลาอิด ยัคตัสิมun ท่านไม่เคยรู้มาก่อนเลยในเรื่องของมะลาอิกะฮ์ เมื่อพวกเขาโต้เถียงกันอียูฮาอิลัยอิลาอนมาอะนาละดีรุมบีนเพราะมิได้มีองค์การแก่ฉันนอกจากว่าฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้นอิซกาลร็อบบุกะลิลมาลาอิกะอินนีคอลิกุบะชรันมิน จงรำลึกถึงเมื่อพระผู้พิบาลของเจ้าตรัสแก่มาลาอิกะว่าแท้จริงข้าจะสร้างมนุษย์คนหนึ่งจากดินคืออาดัมอไลซลาซะอีดะซะฮูไวตุวะนะฟัคตุฟีฮิมินรูฮีฟะกออะละฮูซาญิดีนดังนั้นเมื่อข้าได้ทําให้เขามีรูปร่างสมส่วนและได้เป่าวิญญาณจากข้าเข้าไปในตัวเขานั้นพวกเจ้าจงก้มคารวะต่อเขาเถิด فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ لا ملائکہ ทั้งหมดก็ได้ก้มลงคารวะ إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين นอกจากอิบลิสมันหยิ่งญาโสโอหังในที่สุดมันจึงกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไป قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيداي استكبرت ام كنت من العالين พระองค์ตรัสว่าโอ้อิบลิสเอ๋ยอะไรเล่าที่มันขัดขวางเจ้าไม่ให้โค้งคารวะต่อสิ่งที่ข้าได้สร้างมาด้วยมือทั้งสองของข้าเจ้าหยัสโสโอหังนักหรือหรือว่าเจ้าอยู่ในหมู่ผู้สูงส่ง قال انا خير منه خلق تني من نار وخلقته من طين من กล่าวว่าฉันดีกว่าเขาพระองค์ทรงสร้างฉันมาจากไฟและทรงสร้างเขามาจากดิน قال فخرج منها فانك رجيم พระองค์ตรัสว่าดังนั้นเจ้าจงออกไปจากที่นี่เพราะแท้จริง เจ้าเป็นผู้ถูกสาปแช่ง وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ และแท้จริงการสาปแช่งของข้าจงประสบกับเจ้าจงกระทั่งวันแห่งการตอบแทน قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ มันกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันได้โปรดประวิงเวลาให้แก่ฉัน จนกระทั่งวันฟื้นคืนชีพด้วยเถิดกาละฟะอินนะกะมินัลมุนดารีนโปร่งทราบว่าดังนั้นแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ถูกประวิงเวลาอิลายามิลวักติลมะอ์ลูมจนกระทั่งถึงวันเวลาที่ถูกกําหนดไว้แล้วกาละบิอัซซะติกะละอูวิยันนะฮุมอัจมะอีนมันกล่าวว่า ดังนั้นด้วยพระเดชานุภาพของพระองค์ท่านแน่นอนฉันก็จะทําให้พวกเขาทั้งหมดหลงผิดอิลาอิบาดะกะมินฮุมุลมุคหลิซีนเว้นแต่พวกบ่าวของพระองค์ในหมู่พวกเขาที่มีใจบริสุทธิ์เท่านั้นกอละฟัลฮักกุลฮักกอกูลพระองค์ตรัสว่าดังนั้นมันเป็นความจริงและข้าจะกล่าวแต่ความจริงเท่านั้น لَأَمْلَ أَن نَجَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ نَنُونَ خَاجَة النَّارُ ذَلِكَ تَمَّ بِذَا وَجَاعَ قُوتِ شِئَاءَ فِيهِ مِنْهُمْ جَمِيعًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ جُنْ قَلَاوَ ثُر มูฮัมมัดว่า